เห็นกายโดยความเป็นของสกกุขภรกขั้นที่สของการฝึกมีสติอยู่กับกายปกติกายจะเป็นตัวแทนของเราคือถ้ารู้สึกถึงความมีกายเมื่อใดเมื่อนั้นกายก็จะเหนี่ยวนำให้มั่นหมายว่านี่แหละตัวเรากระทั่งกายปรากฏชัดอย่างที่มันเป็นจริงๆคือสัก์แต่มีลมหายใจเข้าออก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 เพียงแรกแล้บันดาปิติเอพอนพันนาเป็นลีลาพาใจไอเย็นระงับนิ่งทุกทุกสิ่ง